สังธรรมเป็นการเป็นเวลาไม่เสีวยว่าจะได้ฟังอยู่เรื่อยๆไปนานๆนนทีจึงอยฟังกัน <c oughs> แต่การฟังนั้น <c oughs> เก็บจำเอาไปใช้จิตที่เจริญนาปฏิบัติตามธรรมะการฟังธรรมะพอฟังได้ การปฏิบัติธรรมะต่างนะต่างๆนะางาปฏิบัติให้ธรรมะมันมีอยู่ในจิตในใจแล้วจะไม่จยนธรรมะใปสถานที่ใดก็จะได้ยินได้ฟังเลื่อยไปธรรมะที่พระพุทธเจากก้าสอนเอาไว้กล่าวเอาไว้อีกขงังสัทธธรรมสวนงังการฟังธรรมเป็นของยาก นี่เป็นการเป็นสมัยพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นในโลกธรรมะก็ไม่เกิดขึ้นธรรมะที่จะมีได้ก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าอุบัติตัสรู้เชียก่อนยังแนนสอนสาวกคนที่สนใจในธรรมะจึงได้สะดับรับฟังกันมามนี่ก็เป็นขอหายะอันนึง แต่สมัยนี้ธรรมะตามตำรับตำร า, าตามวัดตามวาตามครูตามอาจารย์มันมากจนเบื่อหูบางคนพอถึงเวลาขันจ ะ, จะแสดงธรรมะเช่นพวกที่เล่นวิทยุฟังเพลงฟังอะไรเฟินกันอยู่พอตกระยะเขาจะเปิดธรรมะ มีพระมาสอนทำปิดพรเบื่อเคได้ยินได้ฟังกันทุกหนทุกแห่งไปในวัดในวามาการบางงานก็เหมือนกันพอพระสวดมนต์จบลงไปว่าจะเทศให้ฟังสักกันเท่านั้นคนนั้นก็ปวดแฉ่งปวดขาคนนั้นก็จําเป็นอันนั้นคนนี้ก็จําเป็นอันนี้หนีไปไหนมีใคร ยอมอยากจะฟังเพราะธรรมะมันมันมากมันด่า ด, ดืนเลยในนี้คุณข่าสารให้สําหรับคนขีใจเนะครับธรรมะอืมเป็นหลวงธรรมะที่พระพุทธเจ้าว่วาจิตสังสัรธรรมสวนงังการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอยากเราก็เลยเห็นเป็นของง่ายของสะดวกสบายอยากจะฟังจิต วัดใดองค์ใดก็ฟังได้ยิงสมัยปัจจุบันมีแคบอีกอาจเอาไว้อยากจะฟังองค์ใดก็เลือกฟังง่ายมหมายถึงฟังธรรมดามันง่ายแต่หากคนที่ไม่มีศรัทธามันก็เลยยากถึงวัดวาอยู่จะจะอยู่ติดกับทางบ้านของตัวก่วอตามไม่ได้สนใจจะไปฟัง ธรรมะธรมโอลงหนังลงดีเจ อ, อยู่ไกลขนาดไหนก็อนทราบทุกหนทุกแห่งไปรายการวันนี้ก็จะสายอะไรเขาจะเล่นอะไรเอาใจใส่ในเรื่องธรรมะแต่สำหรยจกิเลสของใจเพราะมันได้เอาใจใส่นี่ก็ฟังยากเพราะจิตมันไม่เกิดศรัทธาหรือคนจีตเกิดศรัทธาเชื่อมัน่นในเรื่องของศาสนาเขาไปฟังธรรมะ ฟังแล้วจะจดจาเอา ร, รมะที่สันแสดงไปนั้นก็ยากอีกหรือ่านแสดงไปแล้วเราจะเข้าใจในธรรมะที่สันแสดงไปนั้นก็เข้าใจยากอีกมันยากทุกอย่างเมื่อเข้าใจในธรรมะที่สันแสดงไปแล้วจะนำไปธปฏิบัติมันก็ยากอีกเพราะมันฝืนจิเลศของเรา พอพูดปฏิบัติไปใจจะรู้ใจเห็นจะเป็นอาจเป็นธรรมอย่างที่ท่านเนีน่สอนนั้นมันก็ยากอีกมันยากเป็นขันข้นๆเข้าไปมหมายถึงการฟังทำ ม, มันเป็นของยากแต่โดยมากมันไม่ค่อยจะคิดว่ามันยากมันลำบากขนาดไหนเพราะเรายังไม่เคยตั้งใจพอพูดปฏิบัติ ธรรมะนั้นมันจำเป็นของพวกเราทุกท่านที่เกิดมาเพราะเราเกิดมามีกิเลสตันหาห่อหุ่มจิตใจมันจึงใดมาเกิดหนมนมาเกิดแล้วอย่างกิเลสที่มีอยู่เก่าก่อนก็พฟอกพูนจิตใจ กิเลสใหม่ที่ตาได้เห็นหูได้ยินก็เกิดขึ้นเรื่องที่จะชำระจิตใจให้สะอาดให้กิเลสมันตกออกไปหมดออกไปได้ก็พอะอาศัยธรรมะผู้ิรพิจารณาธรรมะผู้ทนำธรรมะมารักษาใจคนนั้นมีจิตใจใสสะอาดมีจิตใจบริสุทธ มีจิตใจเยือกเย็นธรรมะจึงจำเป็นสำหรับบุคคลที่ต้องการความสุขความสงบธรรมามีคุณค่าอย่างนั้นเราทุกคนที่สั่งหนามาตรอพืชไปิบัติแล้ว ข้องตัวเพื่อให้เข้าไปสู่เรื่องของธรรมะเพื่อจะแกไขสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆออกไปจากกายวาจาและใจที่เคยนึกคิดโอกาสเวลา <c oughs> หรือจะเกิดศรัทธาเชื่อมัน่นอยากจะเพูดปฏิบัตินั้นมันยากมนใช่ว่ามันง่าย คนที่มีอายุยแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราหรือรุ่นตาลุ่นยายของเราเขาไม่มีโอกาสเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมะอย่างเรานี้นับไม่ถ้วนเราจึงพือว่าเป็นผู้โชคดีที่มีศรัทธาอยากจะปฏิบัติรักษากายใจท้องตัวเราเลื่อมใส ในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแน้สอนจึงบากหน้าสลักจิตการบานชงต่างๆนานาเขามาบวชในศาสนาหรือมาสแสวงหาอัตธรรมในวัดในวาในสถานที่ต่างๆเบื้องต้นก่อนที่เราจะออกมาเราเชื่อว่าจะไปปฏิบัติธรรมะ จะไปตังหน้าตัางตาบํเาเพ็ญภาวนามีเบื้งองต้นก่อนที่จะออกจากสถานที่บ้านช่องหรือที่พักที่อาศัยทัองตัวมาแต่เมื่อมาแล้วเราอาจจะหลงลืมไปเลยเห็นว่า มาถึงวัดถึงวาแล้วก็เป็นขี่วิเวกเป็นการปฏิบัติแต่ปล่อยจิตคิดตรงไปในเรื่องอื่นในเดจ่องมองดูจิตท้องตัวว่าระยะเวลาที่เราเป็นอยู่เดียวนี้สมจริงหรือไม่ที่เราตั้งใจว่าจะมาภาวนาละกิเลสหรือหาจิตเราคิด ลงเรื่องอะไรไม่ได้ตรวจสอบที่นิติเจนาใจของตัววันคืนที่ผ่านไปหมดไปหมดไปใจที่ไม่ได้รักษาไม่ได้กำหนดที่จะได้นา <c oughs> ก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นแต่นั้นจงเตือนตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอเรามา ภาวนามาประเพชปฏิบัติไม่ใช่มาเล่นมาเพลินมาอยู่มาจินมาหลับมานอนเท่านั้นแต่ส่วนเหล่านั้นก็เป็นธรรมดาคนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตเป็นอยู่โดยอาหารจำเป็นจะต้องจินต้องทานต้องหลับต้องนอนแต่อย่าให้มันเลยเถิดเลยแดนไปให้ตั้งใจประ่ฤเพชปฏิบัติ ให้จิตสงบให้จิตเห็นเรื่องของอัดของทำ ม, มันจริงจจเชื่อมัน่นม่อย่างนั้นกว่าจะกล่าววัดนั้นก็เคยไปอาจารย์นั้นก็เคยไปแต่จิตใจเป็นอย่างไรนั้นมันไม่มีอะไรดีให้เพราะไปกสัแกแ่วไปผ่านวัดผ่านบ้าใ น, านต่างหน้าต่างตาที่เจนารายกิเลส นั่นก็เลยมีอะไรดีขึ้นแต่นั้นโอกาสที่เรามาภาวนามาพักในสถานที่ใดเราตอกกำหนดจิตใจของเราตั้งหน้าทำความเทียนเต็มเน็ดเต็มหน่วยเพื่อจะทราบเรื่องสับายยะของตัวสับายยะหมายถึงว่าที่อยู่สบาย แต่มาทั้งกายทั้งใจทางศาสนาทาง่าวะ่สปปะสปายะมีอยู่4ีอย่างคือปุคละสปายะหมายถึงบุคคลที่เป็นพักพวกเกอนฝุงอยู่นั้นสบายไม่ทะเลาะบอแหว่งวิวาดกันมีความเห็นตรงไปในทางเดียวกัน เ้านาสนะสบายะหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายไม่มีคนมาพุกข้านไม่มีการงานหนวกหูเตีนที่อยู่สงบวิเวกอยากตัางหน้าต่างตาเดินจงกลมภาวนากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้มีที่วิเวก เดินได้นั่งได้สะดวกสบายอาหารละสไายหมายถึงอาหารเป็นที่สบายเราทานลงไปไม่หงงเหงาหานอนไม่สแสลงกับโลกแต่มันสแสลงกับกิเลสเป็นอีกอันหนึ่งคือเราเคยทานอาหาร อ, าอร่อยอาหารประมีตอย่างนั้นอย่างนี้มาทานของไม่ เหมาะสมไม่ดีไม่ดีนั่นมันแสลงกับกิเลสมันแสดงกับโลกถ้าแสลงกับโลกพอเราทานต่อไปฉันเข้าไปมันเกิดโรคภัยเจ็บปวดหรือทายหรือเป็นไข้อันใดอันหนึ่งขึ้นนี่หมายถึงมันแสลงกับโรคภายในของตัวอาหารอันใดที่เราทานลงไป ไม่แถลงกับโลกแทนถือว่าอาหารอ น, นั้นเป็นอาหารสสบายยะเราจะต้องสังเกตทิ่เจรณาหมายถึงผูกปฏิบัติอุตุสบายยะหมายถึงอากาศเป็นผิวสบายคือไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอพักพออาศัยได้นี่ไหมายถึงอุตุสบายยะ ที่กันพูดทั่วไปแต่ความจริงแล้วนะ่ะร้อนมันก็ร้อนหนาวมันก็หนาวมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นหนาวมาเราก็หาผ้ามาหม่มร้อนมาเราก็หาหน้ามาอาบหรืออยู่ในร่มที่เย็นก็พอลบได้มีหมายถึงอุตุสปายะธรรมดาถ้าอุตุกสปายสปายะ คือไม่เป็นที่สบายนั้นไม่เป็นอย่างนั้นถึงเราจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาอากาศนั้นเป็นพิษสำหรับเราหายใจออกหายใจเข้าเกิดไม่สุขไม่สบายให้เคยประสบเห็นมาโดยตัวองตัวเองเห่องอุตุสบายยะสีพระพุทธเจ้าว่าอุูุสปายยะไหม ถึงอากาศสบายนั้นเรากต่ก่อนก็เคยคิดว่ามันหนาวเกินไปเพราะหน้าไม่ได้มันร้อนเกินไปเพาหน้าไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงนั้นอุตสายย่าห์ไปยะหมายถึงความไม่สบายของกายอากาศหนาวก่าธรรมดาร้อนก่บธรรมดาทองมันอยู่แต่เทว่า ร่างกายของเราสู่ไม่ได้สู่อะไรไม่ได้มันมีพิษมีภัยในอากาศที่เราหายสูดเข้าไปในตัวของเราเกิดเป็นปวดเป็นขืนขึ้นในเนื้อในตัวเกิดอะไรต่างๆนานาขึ้นหายามารักษามาหันมาทามาฉีดมันก็ไม่หายให้ แต่เราออกไปที่อื่นมันหายโดยไม่รักษามีหมายถึงอุตุสบายยะคือไม่เป็นที่สบายของกายมีเราจะทราบได้โดยการถี่ไปพักผ่อนหลายแห่งหลายหนจะทราบเรื่องสบายยะของตอน เรื่องสปายยะอุตส่ปายยะที่มันเกิดโรคภัยต่างๆนานานี้มันดูง่ายแต่สปาปยยะภายในที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าหากคนไม่สังเกตจิตใจของตัวเองไม่ทราบเห็นว่าสถานนั้นสงบสงดัดอากาศเย็นสบายนั้นเป็นสปาปยยะ อาหารหาง่ายพักขัวคลื่อนฟูงมีความเห็นถูกต้องกันดีนี่เป็นสัปปพยะภายนอกสัปปพยะภายในที่พระพุทธเจ้าสอนสอนถึงสัปปพยะภายในคือสัปปพยะของใจเราเองไปสถานที่ใดตั้งหน้าต่งางตา ภาคเพียรภาวนาถ้าหากสถานที่นั้นเป็นสัปปายะเราเคยเดินจงกรมนั่งภาวนาทาํ า, าความเพียรภาความเพียรคงเส้นคงวาอย่างเดิมแต่ถ้าไม่เป็นสัปปายะจิตใจมันจะหดหู่จิตใจมันจะเศรษฐจะมองจะคิดจะปรุงไปใน ขังหน่อไม่รวมไม่ลงไม่สงบสงัดไม่เกิดปัญญาพิจารณาอะไรก็ไม่สว่างสวยัยไม่ไปจักชัดเจนให้มีหมายถึงสถานที่นั้นถึงแม้ว่าพักวพวกเขื่อนฟูงจะเป็นปุลาสปพายะดินฟ้าอากาศจะเป็นอุตสสะพายะอาหารก า, าร ขบขันจะเป็นสบปายะเสนาสนะจะสงบสงบัดแต่การปฏิบัติไม่เป็นไปให้ยากลำบากขื่อเทียงมันไม่เป็นสบปายะ้ากคืมันเป็นสบปายะไม่เป็นอยากนั้นพอเข้าไปถึงจุดนั้นที่นั้นจิตรู้สึกเย็นสบายอยาก ภาวนาเพระกำหนดจิตใจเท่านั้นจิตใจก็ลงได้ร่วมได้เกิดความสว่างสวัยที่จะมาอะไรก็แจ่มใสไม่มีอะไรที่จะมาลบกวนปฏิบัติง่ายสะดวกสบายนี่คือส ป, ปยายะภายในส ป, ปยายะของนักปฏิบัติจะรู้จะเห็นจะเป็นเฉพาะผู้ไปหาภาวนาสังเกต จิตใจองตัวเถานั้นไม่ใช่ว่าผ่านไปมันจะเป็นอย่างนั้นทุกแห่งทุกหนไปหมายถึงพระที่เคยลุกขมมลเดินทุดดงเคยไปพักไปอาศัยในสถานที่ต่างๆตามถาม้ำตามเขาตามป่าตามดงเคยพักพาอาศัยมาหลายจุดหลายแห่งมันเป็นไปได้ ขันจึงทราบจึงเข้าใจเอ๊ะสถานที่นั้นสบายยัดีเพราใจเราดีบางที่บางแห่งพอฉันแล้วง่วงเหงาห้านอนอยากแต่จะรับนอนเท่าไรก็ไม่นีอมีมีพอเป็นเจ็ดพันในอัต่านในการปฏิบัติแต่ก็บังคับบัญชา พอเรามาภาวนามาทาความเทียนแต่จิตใจนันกไม่เป็นไม่เห็นให้นีหมายที่ไม่เป็นผีสบายะของใจบางแห่งบางหนไม่เป็นอย่างนั้นเยือกเย็นพอเขาไปถึงแต่ฐานีมีแต่อยากแต่ภาวนามีแต่อยากจะปฏิบัติปฏิบัติก็กาวหน้าเป็นไปสะดวกสบายไม่ได้คหนึ่งถึงอาหารคำหนึ่งถึง หนาวร้อนคำนึงถึงบุคคลมีหมายถึงการปฏิบัติไปทุดดงโดยมากก็ไม่มีพักพวกเขื่อนฝุงกี่องค์อย่างมากกว่าสององค์สามองค์หรือองค์เดียวท่านจะต้องสังเกตจิตใจการปฏิบัติของท่านอยู่อย่างนั้นมีเรา ไม่ได้ที่นี้พี่เจอนาะถึงเรื่องเหล่านั้นเห็นว่าสถานที่ได้สงบพอสมควรพักผวกข่วนพุงมีผูดมีคุยอาหารการอยู่จินพอเป็นพอไปเลยถือว่าเป็นสปายะอยู่ได้ไม่เป็นภัยอันตรายแต่เรื่องของใจเป็นอย่างไรในเด็ก ทีนี้ผู้แสนาหามาเรศึกษาภายในเรื่องาพเรื่องสัพยะของใจศาสตา์แต่เรื่องสัพยะ <c oughs> ขอ ง, อ, งะยะองกายมันพอหาได้มันง่ายจีวิเวทของกายสัพยาของกายแต่สัพยะของใจนั้นจะต้องอาศัยมีสติทีนพิผู้แา <c oughs> จึงจะทราบสัพยะ ของกายก็อธิบายมาแล้วคืออุตุอาหารบุคคลเสนาสนะแต่ปยะของใจก็ทำนองเดียวกันคำว่ า, าบุคลาสปายะหมายถึงอารมณ์ภายในคือการภาวนาจิจนาอะไรใจไม่าย แส่สายออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องล้วนแต่เป็นอารมณ์ข้องอัดท้องทำจะทําให้เราสลดสังเวชทําให้เราเกิดปัญญาละกิริพิจรณาอะไรก็เป็นไปเพื่อแก้ไขเป็นไปเพื่อละเพื่อถอนอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องเกิดขึ้นก็เป็นไปอย่างนั้น นี่จะเทียบกับเรื่องของปุคลาสปายะมันกดถูกอุตุสปายะจิตใจก็ไม่คอยมีนิวรันทั้งหามารบกวนเกี่ยวข้องอยู่สะดวกสบายถึงยินป้าอากาศจะร้อนแต่จิตใจเราวก็เย็นถึงหน้าหนาวมา ความหนาวมันจะหนาวขนาดไหนใจใจก็ไม่เดือดร้อนอบอุ่นในอจในธรรมพิจารณาอะไรใจผ่องใสใจสะอาดสะดวกสบายนี่คือเรื่องสัพะยะภายในหมายเส้นใจผู้ที่ไปประพืบปฏิบัติจะต้องสังเกตเหตุการณ์ของตัวถ้าหากเพียงแต่ไปไปเท่านั้น ไม่สังเกตอะไรแล้วก็ไม่ทราบวาสถานที่ใดเป็นอย่างไรเราจะต้องพิจารณาภายในดูจิต ด, ดูใจของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาจึงจะทราบเรื่องจิตเรื่องใจจึงจะทราบข้อปฏิบัติของตัวจึงจะทราบเรื่องควรละควรบําเพ็ญของตัววันนี้ รู้สึกห่วงเหงาห้านอนเห น, นื่อยเหมื่อยหิวจิตใจไม่อยากประพฤติปฏิบัติเกียบท่านต่างๆนานามันเป็นมาเพราะอะไรเราไม่ได้สืบสอบพินิจพิจัยนามันต้องมีสาเหตุของมันที่มันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผู้ภาวนาจึงจะต้องสังเกตรักษาดูทุกสิ่งทุกอย่างไป ข่างนอกข่างในมันสนับสนุนกันพูดมากมากคุยมากมากไปภาวนามันเป็นอย่างไรยินมากๆภาวนามันเป็นอย่างไรนอนมากมากเหนื่อยภาวนามันเป็นอย่างไรจะต้องสร้างเกตคือมันเหมาะดีนั้นมันแค่ไหนจะต้องทดสอบ ดูด้วยตัวของตัวเองไม่อย่างนั้นบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เลยทำไม่เหมาะไม่ถูกให้ลำบากในจิตในใจของตัวเอ๊ะทาไมวันนี้มันจึงเป็นอย่างนี้วันนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราในสาเหตุว่ามันเป็นมาจากอะไรคือม่ส า, าเหตุก็ไม่ได้พิจารณา แล้วทำอย่างนี้มันผิดากับการปฏิบัติจิตใจหรือไม่ไม่ได้ตรวจตาไข่คิดาหาเรารักษาให้ถูกต้องมันง่ายมันสะดวกทุกอุปกรณ์ทุกอย่างมันพร้อมมันสบายนี่เราไม่ได้ตรวจตาพิจารณาอย่างนั้นการปฏิบัติมันจึงลําบากบางวันดีบางทีชั่วอยู่นั้น ถ้าหากเราต้องเจตเรื่องของเราเราจะทราบแล้วก็จะปฏิบัติผูกจิตใจจะกระดวกในการปฏิบัติไม่ขัดขอ้องบางทีมันขัดขอ้องมันจะมีสาเหตุของมันดังนั้นผููปฏิบัติจึงจะต้องรักษาพิจารณาทุกอย่างว่ามันเป็นอย่างไรเหตุผลของมันที่มันให้ สุขไห่ทุกไห่ตามขัดของตามสะดวกตัวของตัวจะต่องตัวตาที่เจรนาในอย่างนั้นลำบากบางวันดีบางทีชั่วอยู่อย่างนั้นนี่คือการสังเกตเรื่องจิตใจของตัวในการปฏิบัติถ้าหากจิตใจไม่ดีไม่มีคุณค่าถึงจะอยู่ในตาโดดเดี่ยวขนาดไหน มันคงไม่สุขไม่สบายให้ใจมันเกี่ยวเกาะกับอารมณ์สัญญ้นาต่างๆนานาหาแตงกเกรื่องมาเกควรตัวเองยุ่งอยู่ทุกระ ย, ยะท่านจึงให้ทีนี้พี่เนรนาการสฏิบัตดจะต้องมีสติมีปัญญา ดูภายในอยู่ตลอดระยะเวลาหากมีสติมีปัญญาตามรักษาเรื่องของจิตจิตนั้นจะไม่ดื้อดึงจะบอกนอนหอนง่ายจะรวมได้เย็นสบายจิตนี้ปวดถึงเรื่องของจิต เล่เหลี่ยมของมันมากเหลือกเกินเราผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นในตัวของตัวไหวจิตนี้สอนยากบังคับยากยิ่งกว่าสอนสัตว์ฝึกสัตว์สอนสัตว์ไปยังมีโอกาสเวลาที่จะฝึกได้เป็นมา้าช้างหรือวัวควายที่เขาฝึก ทำการทำงานไม่นาน็พไหวเนื้อเสืยใจได้แต่ฝึกจิตท้องตัวนี้ยากลำบากไม่ใช่เล่นถ้าหากเราไม่เอาจริงเอาจังไม่มีโอกาสเวลามันจะยอมจำนวนให้มันจะทะเลถลายเลื่อยไปเคยสุกเคยสบายเคยสงบมาเดี๋ยวก็โผ่ขึ้นมาด่านอื่นอีกอยู่นั้น มันฝึกยากมันลำบากถ้าหากฝึกถึงจุดของมันจริงจังแล้วมันสบายจะไล่ให้มันไปมันไม่ไปเชื่อได้ตายใจได้ย่อนจิตสิ่งที่เป็นพิดเป็นทยเคยรบ ก, กวนจิตใจถ้าเราฝึก มันถึงที่ตกเรื่องของอดของทําจริงจังไล่มันไปมันไม่ไปจะไปอะไรเสียเร่ลาเร่ลาดไปอะไรไปหาคืนหาไฟไปไม่มีสาระประโยชน์มันจะต้องบอกมันเองอารมณ์ีิมันมาเกี่ยวข้องมันเกิดขึ้นมันเป็นมันสอนมันเองมันละมันเอง มันปล่อยมันเองถึงขั้นอย่างนั้นความเพียรมันติดต่อกันสติมันเป็นสติอัตโนมัติโดยไม่ตั้งเอาไว้ปัญญากอเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นสังขารที่มันรูงในใจไม่มีโอกาสเวลาที่ว่าอันนี้ เราไม่ทันมันมันไม่เคยมีมันเกิดมาอะไรแล้วทันอยู่ทุกขณะทุกระยะทุกเวลาไม่ว่าจะพูดจะเดินจะกินจะดื่มนี่คือมันเป็นอัตโนมัติของมันนั่นมันถึงขั้นที่มันเป็นอดเป็นธรรมอะไรที่มันสงสัยอะไรที่มันปงมันคิดอยู่นั้นมันจะจ้องจับอยู่เสมอไป ใจมันจะหวัน่นไหวใจมันจะเอียงเอียงไปตามเรื่องอะไรมันจะต้องคังเกียร์อยู่เรื่อยๆจนบางข้างบางหนมันละเอียดลงไปอะไรมามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมามันก็ไม่ได้ติดไม่ได้งมงายไม่ได้ยึดได้ถือบางข้างบางหนก็เลย สำคัญชนมาหมดทิ่งเละอย่างนั้นมันก็มีแต่ถ้าหากเราไม่ตายใจแล้วพิจารณาอยู่เรื่อยๆขอทดสอบดูปล่อยให้มันคิดมันปรุงไปในเรื่องต่างๆไม่เอาใจใส่ในความผากความเพียนขับมันออกไหลมันออกอยู่เรื่อยๆ มันจะแส ด, แดงอากับจิริยาอย่างไรขึ้นอีกถ้าหากวันมีจิริยาถาทีก็จับเล่นความผ่าความเทียนเห็นเรื่องของมันหนึห่งในเนื้อเชื่อใจตั้งหน้าปฏิบัติหนักเข้าไปเพว่อแกไขมันต้องมีอุบายวิธีมีปัญญาในตัวเสร็จไป ผูกประพฤตปฏิบัตินี่คือการประพฤติปฏิบัติเบื <c oughs> ้องต้นที่จะให้เห็นผลเชื่อมั่นในศาสนาก่อต้องจิตใจลงรวมเสียก่อน <c oughs> เป็นสมาธิเสียก่อนแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิจะอยู่กับเรื่องของสมาธิหรือย่อยไปใหนพี่ใจะนะทางด่านปัญญามันก็ไม่ละ เรื่องกิเลสตัญหาได้เรื่องปัญญานั้นบางท่านบางคนไม่สนใจเพราะเห็นว่าเรื่องปัญญามันเป็นเรื่องไม่สุขไม่สบายเหมือนกันกับคนทำงานสู่อยู่บ้านนอนหลับไหมบ้านไม่ได้โดยคิดไปอย่างนั้นความจริงปัญญาเป็นเรื่องสำคัญ ปัญญานั้นถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองมันผิดกันกับฟังมาจากคนอื่นเรียนมาจากตำรักตำลามันเกิดขึ้นอะไรสิ่ง น, นั้นจะไปทับใจอยู่เรื่อยไปไม่มีการหลงลืมความเป็นไปที่มันเกิดขึ้นจากจิตจากใจถ้ามันเป็นปัญญามันไม่เหมือนปัญญาที่จำมา ดังนั้นการพิจารณาเมื่อจิตมีสมาธิรวมรวมได้จึงควรอย่างยิ่งที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นตามเป็นจริงปวดทั่วไปเยมากปวพิจารณากายของตัวใจของตัวนี่แหละไม่ต้องไปพิจารณาทั่วโลกพิจารณาเท่านี้มันก็ทั่วโลกเกิดแจ่เจ็บตาย เราอย่างไรเขาอย่างนั้นไม่มีอดีตอนาคตที่จะผิดกันความสงสัยใส่คิดติดข้องต่างๆนานาจะต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้แก้ไขไม่ใช่อาศัยสมาธิสมาธิเพียงแต่เป็นที่พักผ่อนเป็นที่รวมกำลังจะให้ปัญญามันสามารถ เกิดขึ้นได้เพราะมีจิตมั่นคงถ้าไม่มีจิตมั่นคงไม่มีสมาธิพิจารนามันเลยกลายเป็นสัญญาไปปัญญาเลยเกิดขึ้นไม่ได้จิงจำเป็นจิตจะบาเพ็ญสมาธิให้มีขึ้นเมื่อมีสมาธิแล้วต้องพิจรารณาอะไรกอต า, าม มันประทับในจิตในใจมันเกิดปัญญาแล้วมันเป็นถูกทานั้นเหมือนกันกับยาจะเป็นยาสมุนไพรก่อตามยามาจากที่ใดก่อตามถ้ามันแก้ไขโรคให้หายได้มันก็เป็นยาอยู่โดยดีทางทางฉี่ไม่มีชื่ออยู่ในตำรับตาําราอ่ะเป็นยาดีพิเศษเขาไม่ซื้อไม่ขายกันกว่าตามแต่ยานั้นสามารถ กำจัดโรคไยในตัวของเราได้เรากอที่ว่าเป็นัญญามีการที่นิพิจารณาเห็นอะไรดูอะไรมันขอยใจชัดเจนในสิ่งเห น, นั้นเกิดอาจเกิดทําประทับใจขึ้นมันก็เป็นปัญญาได้อย่างอยู่ควรไม้ใบไม้มันล่วงลงมาจับใบไม้่ะมาพิจรารณาแต่ก่อนมันเป็นอย่างไรใบไ ม, ใบไม้ใบนี้ มันที่ออกมาใหม่ๆจนมันเจริญเติบโตขึ้นจนมันเหลืองมันหลนก็มาเทียบกับเรื่องร่างกายของสัตว์ของบุคคลมันเหมือนกันคอยใจชัดเจนอย่างนั้นเป็นปัญญาถ้าหามันเกิดขึ้นกับตัวนะถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวจำมามันไม่เกิดปัญญาให้ ใจมันไม่ปล่อยไม่วางไม่สลดทั้งเวชอย่างพระที่ไปมีปัญหาในใจจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอดีฝนตกยืนอยู่ใส่ถุงกติที่พระพุทธเจ้าทรงประทับน้ำมันตกลงมาจากสายตาตกลงมาใส่ดิน น้ำอืด น, น้ำเก่ามันก็มีมันโตโกลงมาโตโกลงมามันก็ตั้งใจต่อมขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปตั้งใจต่อมมากกวแตกสลายไปใจของท่านกําลังพิจรารณาความเกิดความดับอยู่อย่างนั้นก็ทราบเข้าใจจนไม่มีอะไรสงสัยไม่ขึ้นไปทูลถามทพุทธเจา้าพอมันหมดเรื่องจะไปทูลถามไปทูลถามก่ท่านจะตัดอันเดียวกันกับที่เราเห็นเราไปจากอยู่อย่างนั้น ไม่มีอะไรที่จะผิดเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นหายสงสัยท่านจิตน้ําจิตตกลงมามันก็ไม่สอนอะไรแต่ท่านนาอันนั้นมาสอนใจมาพิจารณาในใจมันก็เกิดธรรมะจนหลุดไปจากทิเหลือปัญหาได้มีอุบายต่างๆที่เราพิจารณากับธรรนองเดียวกันถ้าหากมันเกิดปัญญาในจิตในใจไม่ว่าอะไรทั้งหมด ควรจะพิจรารณาอนิจจังพิจรารณาทุกขังพิจรารณาอนัตตาถูกทางนั้นถ้ามันเกิดถ้ามันไม่เกิดเราจะพิจรารณาขนาดไหนอ่านตำราจนจบถ้าตายปีดกมันก็ไม่เห็นว่าจิเลียดกันหาหนาไหนมันจะหลุดจะหล่นออกไปถ้าหามันเกิดกับใจไม่ต้องมากนิดเดียวเท่านั้นแต่มันทําให้จิตใจของเรา หายจากสงสัยทำให้จิตใจของเราหายจากความยึดถือติดข้องต่างๆหมดเรื่องหมดราวไปนี่คือปัญญาที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจมันเป็นอย่างนั้นมันสามารถขับไล่ความสงสัยในจิตในใจความจิตข้องของจิตของใจความกอ่อเกี่ยวทุกอย่างให้ตกไปหมดไปใจจึงหมด เรื่องที่จะละจะบำเพ็ญคือไปเห็นไปรู้สิ่งที่มันเหนือสมมุติทั่วไปที่อะไรในโลกที่เข้าไม่ถึง่านจึงว่าวีมดุดคือมันเหนือสมมติวีมุดก็นํำมาสมมุติเอาแต่ผู้ที่เห็นนั้นท่านทราบท่านอาจารย์มั่งจึงเคยอธิบายเคยพูด เรื่องโลกรุตระทำเก้ามรตสี่ผลสี่นิพพานหนึรร่งนี่โลกรุตระทำเก้าท่านบอก <S <S เหมือนเลขเก้าตัวหนึ่งสองสามสีห้าหก็แปดเก้าิบกคือศูนเก้าตัวนี้แหละควจะเขียนไปเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านก็อาศัยเลขเก้าตัวนี้แหละเขียนไป ตัวนั้นใส่ขางหนา้าตัวนี้ใส่ข้างหลังเลื่อยไปอ่านไปจำนวนร้อยจำนวนพันท่านั้นแ่านี้นเขียนไปอย่างเรขวเก่าตัวทถานี้โลกุตระทามเก้าที่ว่ามรสี 4, พ้นสีนิพพานหนึ่งก็คือเกาอันนี้ศูนย์นั้นไม่มีคุณค่าแต่จะว่าไม่มีไม่ใช่มีอยู่ แต่จะไปบวกลบคูณหารกับอะไรอีกไม่ได้บวกก็คงเดิมลบก็คงเดิมไม่มีคุณค่าอะไรศูนย์นะแต่ถ้าเอาไปนำหน้าเลขตัวอื่นเขา้าอย่างเลขหนึ่งเอาศูนยกไปโตมิมก็เป็นสิบเติมเลขเกา้าก็เป็นเก้าสิ บ, บไปเชยหลายศูนย์เข้าก็ไปกันใหญ่ จำนวนมากท่านจางให้ลบทิ้งเสียเลขทั้งเก้าตัวให้เหลือแต่ศูนเมื่อมีแต่ศูนย์หมดปัญหาไม่มีอะไรจิตใจบวกลบกับตัวไหนได้อีกให้เหลือแต่ศูนย์นี่จิตใจของพวกเราท่านกว่าทำนองเดียวกันความคิดความปรุงความหยุ่นความเกี่ยวเอารามาเดียวห้องเก่า มันเกิดขึ้นเท่านั้นมันเกิดขึ้นเท่านี้มันไม่มีอะไรหน้าใหม่ถ้าหากใจของเราไปถึงความจริงแล้วนี่ทันว่าทั้งขามนี่ทันว่าวิญญาณ น, นี่ทันว่าสัญญาเวทนาลูกมันใส่ใจเห็นจริงไปจากอย่างนั้นความที่มารู้สิ่งเหล่านี้คืออะไร ถ้าหากสมมติว่คือศูนย์ฤิ์คือผู้บริสุทธิ์ึืออยู่เหนือสมมติเหนือเรื่องของขันทราบทุกอย่างแต่เรื่องเหล่านี้ถ้ายังมีชีวิตยอยู่ก็ยังช้ายอยู่พระพุทธเจ้าถ้าหากท่านไม่ใช่หย่องของขันธรรมะจิตไปแสดงให้เป็นจ้าพักทีด้วย บินฟงังฟกไปกแสดงไม่ได้ก็ เ, เรื่องของขันของมีอยู่เนี่ยมาบวกมาลบมาเขียนกันไม่ได้เอาอันอื่นแต่เมื่อปฏิบัติไปถึงจุดคือหมดสมมตแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรให้ทั่วไปมันเหมือนกันมันไม่มีทางช่วงใสเพราะเหตุใดเพราะมันไปจับในใจว่าอันนี้จะจะทำบําเพลนไปอย่างไรอีก มันไม่มีอะไรที่จะสงสัยเพราะมันหมดมันบริสุทธิมันคว่ำส ม, มุติมันใสจกักนี่คือการปฏิบตัติเมื่อยังไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติกันเรื่อยไปพิจารณาเรื่อยไปจนเมื่อไรอันนั้นโผล่ขึ้นมาความขาดจากสัญญาอารมณ์ขาดจากสมมุติปรากฏในจิตในใจนั่นแหละ สบายจะพูดถึงสบายแต่ตายจะอยู่สบายท่างนั้นมันไม่นนมีอะไรที่จะละจะบำเพ็ญอีกไม่มีอะไรที่จะสงสัยนิพพานอยู่ที่ไหนทราบในจิตในใจของตัวจะขึ้นจะรวดดาวเทียม ไปที่ไหนก็ไปเธอถ้าหากจิตไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นสวัรนิพพานอยู่โดยดีถ้าหากมันเห็นมันเป็นแล้วจะตายในป่าในเขาตายในสถานที่ใดก็ตายเธอบอริสุทธิ์อยู่ตลอดไปเพราะใจมันบริสุทธิ์แล้วแต่นั้นจึงควรฝึกควรปฏิบัติ โอกาสเวลาที่จะกระทำบำเพ็ญที่จะร่าจะถอนมีในต่างหน้าต่างตางสำละไปทำไปอย่าไปนอนใจอย่าไปประมาททำมันมีอยู่ทุกผทุกแห่งทุกที่ทุกสถานถ้าหากเราพิจารณาให้มันเป็นธรรมถ้าพิจรณ า, าเป็นจิ่เลศมันก็เป็นจิ่เลศเรื่อยไปเราก็เคยเห็น เคยรู้เคยได้ฟังกันมาตาก็เคยได้ดูอย่างคนแก่คนเจ็บคนตายที่พระพุทธเจ้าสลดสังเวชเบื่อหน่ายออกไปบวชเราก็เคยเห็นนับไม่ได้แต่เราก็ไม่เห็นเบื่อเห็นหน่ายเพราะจิตใจมันยังไม่เป็นอาจเป็นธรรมให้ถ้าจิตใจมันเป็นอาจเป็นธรรมมันมีทางสงสัยมันอยู่ไม่ได้เบื่อร้อนวุ่นวายถึง เท่าของเงินทองภายนอกจะสมบูรณ์ขนาดไหนมันก็อยู่ไม่ได้